พุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะอืมต่อเรื่อง <c oughs> 8 ประการดูก่อน เมื่อใดโพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะ <c oughs> <dar>. แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ 4 แก่โพธิสัตว์โดย หรืออามนุษย์หรือใครๆก็ตามอย่าได้ข้อแม้ข้อนี้ข้า แม้แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระภักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าได้จำ เว้นจากอทินนาทานเว้นจากสุราและเมไรจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากสุรา <c oughs> <c oughs> นายบุรุษทั้งหลายๆไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิต 5 มณฑาแห่งโพธิสัตว์นั้นอิ่มเอิบด้วยกามคุณทั้ง 5 เพียบพร้อมด้วย 5 ให้เขาประคบประหมมอยู่ดังนี้ดูก่อนอนลในการใดโพธิสัตว์ ย่อมแลเห็นโพธิสัตว์เหมือนอย่างว่าอยู่อันงดงามโชดช่วงมารดามีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์แดงขาวหรือเหลือง เอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้วย่อมแดงขาวหรือเหลืองก็ตาม มีความสบายไม่อ่อนเพลียและเห็นโพธิสัตว์ผู้นั่งอยู่ในครรภ์มีอวัยวะน้อยใหญ่ 9 เดือน 10 เดือนบ้างจึงจะ 10 เดือน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้อนี้ข้าพระองค์ <c oughs> เอามาแต่ที่เฉพาะพระพรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอนลยิง ในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อภายหลังดังนี้ดูก่อนอานนท์ในการ บุธอันมีสักดายใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้วดังนี้ ดูก่อนอ��นน مثり ในการดัยโภทิสัติออกมาจากท้องแห่งมานดาในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองด้วยเมือกไม่เป เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวดังนี้ดูก่อนอนลในการใด พร้อมท่อหนึ่งอันเขาใช้ในกิจอันเนื่อง ย่อมและกล่าวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสัพพิวาจา ประวัติพระเจ้า